เอาออกทิ้ไปบ้านเราจะได้สดใสเสเนีย์จันทรไร้จะต้องให้ดีเเพาวาจะลงรักษาเสเน่ห์จะมาบ้านก็สุอํามาเกสตะ ด, ดิค่ะน้อยชื่อแพงแก้วติน้นเพราะดีนะครับขน้อยชื่อแพงแก้วตินนวต้นเป็นคนลาวค่ะ อายุ65ปีแล้ว <Wow. S 1> พรรลักษ์อยู่ที่เมืองสตาร์บักประเทศฝรั่งเศสแต่เริ่มรู้จักวัดพุทธสตาร์บักตั้งแต่เมื่อต้นปีนี้ระหว่างที่ไปวัดหลวงพี่ประจากก็ได้แนะนำให้ชมรายการฝันในฝันซึ่งถ่ายทอดสดมาจากเมืองไทยคาน้อยก็ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนำหนังสมาธิและเมตตาเล่าเรื่องฝันในฝันให้กระจามิตรทั่วโลก ก็เกิดความศรัทธาตัวข้าน้อยนั่นนะมีข้อสงสัยประการหนึ่งสมัยมานานแล้วท่านประกาศจะไปถามผู้ใดบางคนแนะนําให้ข้าน้อยไปถามหมอดูขาน้อยไม่เชื่อ <Okay. S 1> เพราะดูไปเรื่องโลเลหลัง oh. จากที่ได้เห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วขาน้อยก็คิดว่าถามพระเดชพระคุณหลวงพอดีกว่า <laughs> ถูกต้องมากถูกต้องว่า <laughs> สามีของข้าน้อยชื่อพ่อติน้นเป็นคนเวียดนามแต่เกิดที่ประเทศลาวเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อเดือนตุลาคม2544ปกติสามีของข้าหน่อยนะเป็นคนไม่ชอบทําบุญมักโกรธไม่ชอบไปวัดทั้งวัดลาวหรือวัดเวียดนามแล้วก็ไม่วายพระเลยเจ้าค่ะอนอกจากนี้เขายังชอบดื่มเหล้าสูบญ้าและเล่นลอตโต้ ลอตเตอรีข้าน้อยเราเป็นห่วงเขาเจ้าค่ะที่พามาก็เดยทาบุญสร้างพระที่วัดลาวไว้หนึ่งองค์แล้วก็ได้ทําบุญถวายไทยธรรมสามพันวัดในวันคุ้มครองโลกที่จัดที่เมืองไทยด้วยข้าน้อยยงตั้งใจจะทําบุญสร้างแล้วธรรมการปรจําตัวให้เขาอย่างน้อยสักองค์หนึ่งค่ะทุกวันนี้ข้าน้อยก็ยังฝันเห็นเขาอยู่เกือบทุกคืนในฝันเราก็คุยกันบอกลกูลก ลูกเขาก็บอกว่าขาน้อยคิดมากครับที่จริงคิดไม่ได้มากคิดเรื่องเดียวคือเรื่องของพ่อตินนั่นเลยก็เราพวกเราแม่ลูกก็ยังได้ช่วยกันทําบุญตามประเพณีส่งแม่พ่อตินอยู่เสมอค่ะก็เรขอ บ, บคุณข้าน้อยกับพ่อตินมีลูกร่วมกันแปคนโ อ, โอ้โหรวยลูกจังเลยครับาและมีเรื่องสําคัญที่ขาน้อยสงสัยมาเป็นเวลานานแล้วระหว่างพ่อตินกับลูกชายคนที่สอง คิดว่าเขาคงจะไปมีเวรมีกรรมอะไรกันมา oh. ลูกชาคนที่สองคนนี้เนี่ยปัจจุบันอายุได้44ปีตั้งแต่ลูกคนนี้เกิดมาพ่ อ, ขอเขาก็ไม่ค่อยความสนใจกับลูกคนนี้เลย oh. เวลาให้ของลูกคนนี้จะได้ไม่เท่ากับคนอื่น oh. เวลาลูกสวัสดีพ่อกระชอบทำเป็นไม่เห็น oh. บางครั้งลูกซื้อของมาให้พอ่อพ่อขาววางไว้ oh. ทำเป็นไม่สนใจ อีทั้งลูกชายคนนี้ก็เป็นคนเชื่องช้าไม่ฉลาดเหมือนพี่ๆน้องๆขา น, น้อยจึงสงสารเขามากอยากให้พ่อเขารักลูกของเขาทุกๆคนเท่ากันเมื่อปี2523พ่อติงกับขับรถไปชนเกิดอุบัติเหตุลูกชายคนที่สองคนนี้ก็ไปด้วยกระดูกสันหลังหักขากระเพกตั้งใช้ไม้ค้ำช่วยเดินจนสองปีกว่าจึงจะเดินได้ ทุกวันนี้ยังพูดช้าอยู่ตัวขน้อยก็พยายามสอนให้ลูกทุกคนรักพ่อของเขาลูกชายคนนี้เขาก็เป็นคนดีคนซื่อแล้วก็ไม่โกรธพ่อค่ะอยังมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะลูกชายคนที่สองคนนี้ได้ไปเอาลูกสะภ้ยมาจากเมืองลาวอเออเธออายุอ่อนกว่าลูกชายขน้อยถึงยี่สิบปีอ้าว ขนาดพูดช้าๆนั่นเองบางคนพูดติดอ่างแต่แฟนสวยเลยถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพูดติดอ่างทำไมแฟนสวยและแฟนเยอะด้วยผมผมผมบอกว่ารักได้มากกว่าคนอื่นเลย มันเป็นยังไงถามดูแล้วเขาก็พูดให้ฟังเออจริงฮะคนธรรมดาพูดเด็กทีเดียวครับไอ o เริ่มอยู่ฉันรักเธอก็ทีเดียวครับแต่นี่ทีเลยรัวเป็นชุดเลยตอกย้ำจำเดิมเหมือนตอกตะปูครับของคำว่ารักรักรักรักรักไปเลยหรมีแน่ละแฟนเยอะเลยครัถึงไหนลืมเลยโมมากได้สะด้ายลาวมา น้อยกว่าถึงยี่สิบปีข้าน้อยเลาก็ประค่อยจะเข้าใจเรื่องนี้เลยค่ะว่าตั้งแต่เธอมาถึงฝรั่งเศสเธอก็ไม่ได้ความเคารพครอบครัวของสามีเลยเธอเป็นคนชอบโกรธไม่ค่อยสนใจพี่พี่น้องๆของสามีมีอยู่ครั้งหนึ่งในงานแต่งงานของลูกคนเล็กของข้าน้อยเธอได้ทําตัวให้พี่พี่น้องๆ้องเสียน่าเพราะไม่สนใจเช่วยงานแล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนแขกคนที่มาร่วมงานก็ผ่านก็สงสัย ข้าน้อยเองก็เป็นคนไม่ชอบคิดโกรธใครแต่มีเรื่องไม่สบายใจให้โกรธใครข้าน้อยก็จะเก็บเอาไว้ในใจก่อนแล้วก็จะค่อยๆหาทางพูดดีๆโอ้ดีจังเลย ใ, ในงานนั่นก็เหมือนกันหลังวัน ง, งานข้าน้อยก็ได้ยถามลูกสบายคนนี้เธอบอกว่าอยากทำให้จะของงานขายหนะ้าข้าน้อยถึงก็ตกใจมากแต่ ค, คิดว่าเธอคงมีปัญหาทางสุขภาพด้วยข้าน้อยยังพูดดีๆแล้วก็พาไปหามหมอ หมอก็บอกว่าเธอเป็นโรคที่คอค่ะงานนั้นครูบาสาวโกรธลูกสะพ้ายคนนี้มากข้าน้อยเลยพยายามสอนเธออยู่เรื่อยๆแต่เธอก็ไม่กตัชอบแต่ที่ค้าน้อยกับแปลกใจที่ลูกชายขค้าน้อยยังรักเธอเสมอบางครั้งค้น้อยก็เห็นเธอด่าว่าสามีแต่ลุงค้าน้อยกับใจเย็นไม่คิดโกรธเลยไม่ว่าเธอจะพูดอย่างไรก็อย่างร้ก เธอเสมอครับโอ้โอ้ข้าน้อยจะทำยังไงดีเนี่ยครับจริงๆแล้วข้าน้อยก็ไม่อยากจะรบกวนเมตตาพระคุณหลวงพอ่อแต่ก็ไม่รู้จะไปรบกวนใครเลยรบกวน คอยก็งงเหมือนกันนะเอาเอาตกลงฝันให้ฝันก็แล้วกันนะจ๊ะเออวันนีค้ครูไม่ใหญ่หลุดอีกแล้วเนี่ยบเบลกหลุดเลย <c oughs> สามีข้าน้อยตอนนี้เขาอยู่ที่ใดแล้ว <c oughs> บุตริกาน้อยแล้วลูกทงบุญทษไปให้เขาได้รับหรือเปล่าคะ ข้าน้ลูลกๆจะช่วยพ่อตินอย่างไรได้บ้างให้ชีวิตของเขาอยู่ดีมีสุขขึ้นในปรโลกสองที่ข้าน้อยฝันเห็นเขาเกือบทุกคืนเป็นตัวจริงของเขาใช่หรือเปล่าคะก็ได้เข้ามาหาข้าน้อยเขาต้องการให้ข้าน้อยส่งบุญไปให้ด้วยหรือเปล่าทําไมในฝันเขาไม่เคยถึงคุยถึงเรื่องนี้เลยแต่กลับพูดคุยกันทั่วๆไปเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่สามสามีและลูกชายคนที่สองที่ทํทาเวทารทำกรรมอะไรกันไว้ พ่อเขาจึงได้ทำตัวเหินห่างกับลูกชายแบบนี้เสียลูกชายคนที่สองข้าน้อกับลูกสะใภ้ทำกรรมอะไรร่วมกันมาถึงต้องมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ขาน้อยสงสารลูกชายเจ้าข่ะฟังเลยพ่อติน้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งรก่อนตายมีความทุกข์ทรมานมากด้วยโรคมะเร็ง ได้เห็นภาพกินเหล้าโูบุรี<อ>เล่นล็อตโตเป็นอจินตกรรมแต่กินเหล้ากับโซบุรีนี่เป็นหลั ก, กลทำให้คตินิมิตมืดมากมเพราะว่าใจของพ่อตินนะมองใจเศร้ามองไปเห็นภาพมีแต่กินเหล้าโูบุรีอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น บุญตัวเองก็ไม่ค่อยจะได้ทำวัดก็ไปเข้าแต่เล่ากินครับบุญที่บริยาทำให้ยังไม่ส่งผลเลยไปลงมาหาณนรกคุ้มที่หาทันทีอตอนนี้นะจ๊ะมีกายผอมดำใหญ่ขนาดภูเขาย่อมย่อมอยู่ติดกับทานน้ำกรดกอที่ไหลลงมาจากภูเขาใหญ่ แล้วถูกนายนิรยาบาลตัวดำใหญ่กรอกน้ำกรดอยู่ oh. โดยจับนอนหงายกรอกปากดิ่นทัลนทัวลยอยู่ขัดขืนไม่ได้ทรมานมากแล้วก็ตายตายแล้วก็ฟื้นอยู่นับครั้งไม่ท้วนแล้วกมดื่มสูราเป็นอา จ, จินช่วงนี้เจอการกรอกอย่างนี้ไปก่อน เป็นเวลายาวนานเป็นล้านไปทีเดียวนะจ๊ะแล้วต่อไปก็จะต้องไปเจอกำลัอื่นๆอีกซึ่งทรมานไม่แพ้กันจะช่วยพ่อตินได้นะ่ะก็ต้องโดยวิธีการพิเศษคือต้องให้ทุกคนในบ้านรวมทั้งลูกหลานในครอบครัวจะต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย แล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยได้ทำบุญธรรมดานะั้นไม่อาจไปถึงได้ในตอนนี้แต่บุญนั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนไปคอยอยู่ที่ยมโลกเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะช่วยก็ต้องทำตามที่ครูแม่ใหญ่แนะนำนะลูกนะอย่าทุกข์ใจถึงแม้จะรักพระตินมากเป็นห่วงและสงสาร ก็ต้องทำให้มันถูกหลักวิชาอย่างที่ได้แนะนำไปแล้วก็จะช่วยได้ส่วนที่ฝันถึงพ่อติ่นนั้นก็เป็นเพราะความรักและความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมานานจึงทำให้ฝันไปพ่อติ่นในตอนนี้นะ่ไม่อาจจะมาเข้าฝันได้เพราะยังอยู่ในมหารโรกขุมห้าทำบุญใหญ่ไปเรื่อยนะจ๊ะทุกๆบุญ แล้วก็อรัตนามหาปูชนียาจารย์ในตอนบ่ายของวันอาทิตย์ไปช่วยอาบุญไปให้ก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบานะ่แต่วิธีรัดดีที่สุดก็ลูกหลานและทุกคนก็กลัวต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายนะจ๊ะพอตินแล้วลูกชายคนที่สองที่ดูเหินห่างกันในช่วงที่มีชีวิตอยู่ เพราะเป็นกรรมในอดีตที่ติดมา oh. พ่อลูกคู่นี้เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน oh. รักกันมาก <Okay. S 1> สนิทกันมากต่อมาก็เข้าหุ้นร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยกัน <Okay. S 1> แต่ว่าธุรกิจนั้นขาดทุนทำให้เสียหายมากก็เลยเกิดการทะเลาะกัน พ่อก็คือเพื่อนในสมัยนั้นก็โกรธแล้วก็เลยเลิกคบกันตั้งแต่ชาตินั้น oh. พอบุญกรรมนํามาเจอกันในชาตินี้อีกก็เลยมีความรู้สึกไม่ถึงกับไม่ค่อยชอบหน้าคือไม่ถึงกับไม่ค่อยชอบหน้า oh. แต่รู้สึกหงุดหงิดใจทุกครั้งขึ้นมาเฉยๆ oh. เมื่อเจอกัน oh. โดยก็ไม่รู้สาเหตุว่าไงนะ่ะอ oh. พอเจอหน้าเอ้ก็หงุดหงิดทุกทีครับ oh. มันมีอารมณ์หงุดหงิด oh. แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง ตัวพ่อตินเองก็ไม่รู้เหมือนกันที่ลูกชายคนที่สองพูดช้าแล้วไม่ค่อยฉลาดในชาตินี้เพราะเศษกรรมสุราติดติดมาจากในชาตินั้นแหละครัคือเมื่าทําการค้าขาดทุนก็เสียใจครับกุ้มใจและยิ่งเพื่อนรักกันเนี่ยมากโกรธกันอีกยิ่งกลุ้มหนักก็ไปเลยไปหาวิธีแก้กลุ้มโดยการดื่มสุราดื่มไปดื่มมาก็ติดสุราครับ หลังจากไปใช่กรรมสุรามาแล้วเศษกรรมสุราก็ามาส่งผลในชาตินี้<อ>ซึ่งส่งมาหลายชาติแล้วเนี่ยให้ชา้าแล้วก็ฉลาดน้อยหน่อยนี่ก็คือบุพกรรมของลูกชายกับพ่อติน้นะจ๊ะแม่แพงแก้วตินก็ฟังเอาไวา้ส่วนเหตุที่ภรรยายของลูกคนที่สองเป็นอย่างนั้น เ พ, เพราะเธอยังละอ่อนอยู่ oh. อายุเธอยังน้อยเธอก็เลยมีอารมณ์วัยรุ่นเพราะยุ่น้อยกว่ากันแต่งีสิบปีคิดดยให้ดีลูกชายก็คัดหญิงทั้งหลายในโลกนี่เนี่ยทั้งหลายพันล้านคนคก็ได้เธอนี่แหละที่เหมาะสม เขรักของเขาเขารู้กันนะ่ะจะไปมีอารมณ์รู่วมอะไรกับเขาเขาสามีกับภรรยายกันเธอสงสารลูกเขาต้องสวงสารให้มันถูกทางนะจ๊ะเธอยังอายุน้อยอยู่ยังต้องศึกษาต้องเรียนรู้ชีวิตของการคลองเรือนอีกออต้องใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆรักปรบละครนาวาชีวิตกันไปตอนนี้เนะี่ยแม่ แพงแก้วให้โอกาสเธอไปก่อนเธอใจเย็นแล้วก็อดทนหน่อยให้อภัยเธอเธอนะจ๊ะทําใจให้ใสใสแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายก่อนเลิกนั่งธรรมะหานาทีก็อธิษฐานจิตนึกถึงบุญทุกบุญให้เธอทั้งสองครองรักกันชื่นมืนเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกทำให้เป็นประจำสม่าเสมอนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้สบายเพราะตอนนี้อายุก็หกสิบห้าปีแล้ว ข, ขนทางข้างหน้ามันเหลือนิดเดียวทำหนทางสว่างหนทางสวรรค์ให้เกิดขึน้นจะดีกว่านะจ๊ะ อ, อย่าไปมีอารมณ์ร่วมอะไรเลยกับเขาสักวันหนึ่ง โลคสภายจะต้องไปเจอคนที่เขารับฟังนะ่ะที่จะพอแนะนำเขาได้โดยอนุภาพแผงบุญที่แม่แผงแก้วอธิษฐานจิตทุกๆุกวันเดี๋ยวเธอก็จะไปเจอคนดีเป็นคู่ปรับกันกคือปรับให้เธอดีขึ้นเป็นสภัายที่สมบูรณ์สะพายแก้วของแม่แผงแก้วไงละจ้ะอตอนนี้ใจเย็นเย็นใจใสๆสนะ นี่ก็เป็นเคส์ ด, ดีวันนี้